สีลข้อที่สองสีลข้อที่สองเราจะต้องรักษาทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเรานับตั้งแต่ร่างกายนี้เป็นทรัพย์สินไหมเป็นนะเราไปขโมยของใครมาก็เราขโมยเงินทรัพย์สินของใครมาก็ผิดสินแต่ว่ากฎหมายนั้นเอาแง่ คนไหนไปขโมยไปรักของอื่นกฎหมายดูแลรักษาแต่ว่าเราขโมยเงินของเราเองเนี่ยกฎหมายเอาผิดได้ไหมเอาผิดไม่ได้แต่ศีลเอาผิดได้เช่นเรามีเงินอยู่100บาทเนี่ยเป็นเงินของในครอบครัวของเราถ้าเอาเงิน100บาทเนี่ไปซื้ออาหารมาในครอบครัวนั้นก็ได้กินกันทุกคนแต่เอาเงิน100บาทเนี่ไปซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนซื้อบุหรี่ซื้อยาซื้อของเสพติดมึนเมาเนี่ย คนในครอบครัวเป็นยังไงได้กินด้วยไหมแ้วไม่ได้กินแล้วขโมยไปแล้วพ่อบ้านขโมยเงินร้อยนั้นไปกินคนเดียวนี่เขาเรียกขโมยตัวเองหรือเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเอาเงินนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อเบอร์หรือไปเล่นการพานันขโมยเงินของใครขโมยเงินของตัวเองนะฮะพอมันเล่นแล้วมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นศีลก็ต้องเอาผิด คนเล่นการพนันในฐานะขโมยเงินของตัวเองและครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อะไรละ่ะไม่ช่อไม่โกงไม่ค อ, อร์รัปชันไม่ทําลายทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนะทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะอันนี้ก็เรียกว่าพิสิทข้อที่สคือการรักษา เราเมื่อกี้พูดลืมพูดถึงเรื่องว่าอ น, นิสงฆ์การรักษาศีลข้อที่หนึ่งทำให้เรามีอะไรเนีเวลารักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีแต่คนไหนที่ผิดศีลข้อหนึ่งบ่อยๆคนนั้นเป็นยังไงก็จะเจ็บป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีอายุสั้นนะคนไหนผิดศีลข้อหนึ่งบ่อยๆให้ดูที่สุขภาพดูโครคไข้ไข้เจ็บดูที่ความ อายุสั้นหรื อ, อยาวแต่คนที่รักษาสีข้อหนึ่งดีครบถ้วนและกว้างกวางมากเท่าไหร่ก็จะมีความแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย น, นะวัดกันตรงนั้นว่าสีข้อหนึ่งดีไม่ดีดูตรงนั้น ส, นขอสอีข้อสองถ้าหากว่าเราละเมิดสีข้อสองบ่อยๆเราก็จ ะ, ะเป็นที่ระแวงสงสัยเป็นที่กล่าวหาไม่น่าพบหาวของเพื่อนมนุษย์นะ เราถ้าเป็นพ่อบ้านถ้าหากรักทรัพย์ของตัวเองบ่อยๆก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจของลูกเมียเพราะว่าแอบเอาเงินไปเล่นการพนันบ้างอาแอบเงินไซื้อเล่าบ้างอาแอบเงินไปซื้อหวยบ้างอาแอบเอาเงินไปทำอันนั้นทํานี้ที่เป็นการขโมยทรัพย์สินของตัวเองนะกฎหมายห้ามได้แค่ขโมยห้ามขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นแต่สีนั้นได้ลึกไปถึงขนาดแม้แต่ขโมยทรัพย์สินของตัวเองก็ผิดศีล น, นะดังนั้นกระห้ามรักขโมย ถ้าหากว่าคนไหนที่มีนิสัยรักขโมยบ่อยๆก็ทําให้ไม่เป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ระแวงและเป็นที่กล่าวร้ายของสังคมและครอบครัวนะสิ่งข้อที่3รักษาอะไรลําดับให้ดีนะข้อที่1รักษาชีวิตข้อที่2รักษาทรัพย์สินข้อที่3มรักษาอะไรเออเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้นเลย น, ะนี่นีนมันเคยเข้าวัดกันมานานแล้วนะเคยปฏิบัติกัน สินคดีสรักษาอะไรฮะรักษาสิทธิและหน้าที่ถ้าเราถูกละเมิดสิทธิของเราก็ผิดกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเอาผิดได้ว่าใครมาละเมิดสิทธิของเราร่างกายนี้เป็นสิทธิของเราแล้วเป็นของมีเจ้าของอเป็นร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่ คนไหนแต่งงานก็เป็นของลูกของผัวคนไหนมีเจ้ามีนายก็เป็นของเจ้าของนายคนไหนมีปู่ย่าตายายเป็นก็ของปู่ย่าตายายมีเจ้าของนะเพราะนั้นคนไหนมาละเมิดสิทธิตรงนี้ก็จะผิดกฎหมายแต่ในสีนั้นแม้แต่และเมิดตัวเองนะละเมิดสิทธิของตัวเองเคยละเมิดสิทธิของตัวเองไหมละเมิดสิทธิของตัวเองทำอย่างไร สิทธิและหน้าที่ของเราทําอะไรเราไม่ทำตา่างนะละเมิดสิทธิเดี๋ยวนี้ละเมิดสิทธิไม่ได้ไปลงผู้แทนเขาก็ตัดอะไรตัดสิทธิโดยนะเนี่ยตัดสิทธิโดยนะเพราะฉะนั้นอย่าละเมิดตัวเองทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ละเมิดตัวเองทําร้ายตัวเองละเมิดตัวเอง แล้วก็ละเมิดของรักของห่วงผู้อื่นเช่นว่าแต่ในศีลแบบหยาบๆก็คือว่าไม่ไปละเมิดลูกลักผัวเมียของผู้อื่นอันนี้เป็นหบบยาบๆแต่ที่ศีลก็คือไม่ <c oughs> ละเมิดของอันไหเป็นที่รักเช่นเสื้อผ้าของคนอื่นเขาซักตากเอาไว้เนี่ยเราไปทําให้เขาเปื่อนนี่ผิดศีลข้อสามลวหรือว่ารถเขาจอดไว้ดีๆเราอะไรไปขูดเล่นไปละเมิดสิทธิของเขาผิดศีลข้อสาม นะหรือบ้านเรากวาดไว้สะอาดแล้วเราถือวิาสาสัตย์เดินใส่รองเท้าเหยียบเข้าไปอาดอาอาดเลยผีศิงข้อไหนผีศิงข้อสามแล้วนะหรือเรายืมของเขามาใช้แต่ว่าทําให้ของเขาเขาเสียหายโดยที่ไม่ใช้คืนผีศิงข้อไหนผีศิงข้อ3เราไม่ได้รักขโมยนะแต่ว่ายืมมาใช้แล้วไม่ใช้ให้ถูกต้องตาม กติกาทําให้ของคนอื่เสียหายไม่ใช่คืนเดี๋ยวนี้ก็เราละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่สิทธิคดีสานะเพราะฉะนั้นการรักษาสิทธิหน้าที่ของตัวเองก็เรีว่าทสิทธิคดีสาเพราะฉะนั้นคนที่รักษาสิทธิคดสก็จ ะ, ะเป็นคนที่รูร้จัก ร, รักษาสิทธิหน้าที่ของตนเองไม่ละเมิดล่วงเกินในสิทธิของผู้อื่น อั น, นิสงฆ์ก็คือทําให้เราได้รับการยอมรับนับถือเป็นคนที่คนอื่นเคารพว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นที่เคารพเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้นะสิ่ข้อ4รักษาอะไรสิ่ข้อหนึ่งรักษาชีวิตสิ่ข้อสองรักษาทรัพย์สินสิ่ข้อสรักษาสิทธิและหน้าที่ศิ่ข้อสรักษาสิ่งห้าข้อยังไม่ครบเลยของเรานะ ไม่รู้ว่าสีข้อสีนี้รักษาอะไรรักษาสัจจะเป็นมนุษย์ต้องมีความจริงใช่ไหมถ้าหากว่าคนไหนไม่มีความจริงความจริงที่เราใช้ในมนุษย์นี่มีอยู่สี่อย่างความจริงที่เป็นอริยสัจสี 4, ระดับหนึ่งและความจริงในวจีสัมาวาจานั้นก็อย่างหนึ่ง ดังนั้นเราต้องรักษาความจริงใจความสัตย์ความซื่อสัตย์คนไหนไม่ซื่อสัตย์พิสินข้อไหนพิสินข้อสีต้องรักษาความจริงเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนที่มีความจริงใจมีความรับผิดชอบคนไหนขาดความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบก็พิสินข้อสี่ได้เหมือนกันดังนั้นข้อสี่รักษาความสัตย์จริง โดยที่ไม่พูดโสดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอร์เจอนะทีนี้ส่วนใหญ่เราก็าไปพูดต่อผู้อื่นแต่ในจิตใจของเรานั้นมันก็ไม่เราต้องรักษาสัจจะในใจของเราโดยว่าเรามาที่นี่เรามาทําอะไรตั้งใจไว้มีสัจจะไว้ว่าจะมาเจริญสติมาพุาทธบัตรปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทําเราก็เสียสัจจะผิศิงข้อศีได้นะเราก็ตรวจสอบศีลของเราเฮ้ยเราตั้งใจทําหรือยังเราจริงใจทำหรือยัง เรามีความสัตว์กัดเราเองหรือยังพี่ศิลเนี่ยเราก็จะมีสินข้อ 4. สีสินข้อ5รักษาอะไรเพราะว่าสินทั้งหมดนี้ก็มีการตรวจเช็คอยู่นะเพื่อที่จะให้เราได้ครบทั้งสินทั้งสมาธิปัญญาเรามาที่นี่มายากอยู่ยากกินยากแล้วนอนยากไปเห็นที่นอนแล้วแทบจะกลับบ้านเลยบางคนใช่ไหมไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีที่นอนนุ่มๆไม่มี อะไรหน้าปลอดภัยเลยนะแต่ที่นี่เราอยู่กันมาสีห้าปีไม่เคยมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยเพราะมีสิ่รักษาอยู่นะไม่ต้องกังวลสินข้อห้ารักษาอะไรสิลข้อหนึ่งรักษาชีวิตสินข้อสองรักษาทรัพย์สินสินข้อสามรักษาสิทธิและหน้าที่สินข้อสี่รักษาสัจจสินข้อห้ารักษาอะไร <c oughs> รักษาสุขภาพนะแ <c oughs> น่ใจนะ ศี่ข้อหาคบควนอีกทีว่าอะไรนะสุราเมรยะมัชฌะปะมาทะสุราเมรยะมัชฌะปะมาทะซีอย่างในความหมายข้อเดียวน ะ, ะเว้นจากการดื่มสิ่งเสพติดมึนเมาคือสุราชนิดแรง ละชสดิอ่อนมีเครื่องเสพติดทั้งหลายเบีย์นี่เป็นมัดเป็นมีมไรใช่ไหมเบีย์นี่เป็นเมระยะไม่ใช่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าผิเศษได้ดื่มเบียร์ไม่เป็นไรไม่ใช่นะมาเข้าประเภทที่ของคือมัเมีมระยะมไรนะเป็นสาทเป็นเบียร์แล้วก็เป็นมัชชะมัชชะอันที่3มก็จะเป็นบุหรี่กัญชากาแฟเฮโรอีน กาแฟนี่ก็ผิดศีลข้อห้านะเพราะมันทำให้จิตจิตใจเร า, านี่ผิดปกติได้กัญชากาแฟเฮลิอินฟินผงขาวาพวกนี้อยู่ในมัดชะนะทุาลามีระยะมัดชะแล้วอีกอันหนึ่งเวลาเราไปทำอะไรผิดพลาดเสียาหายนะเดินไปในเตะแก้วแตกผิดศีลข้อไหนข้ขอหเพราะประมาทยังประมาทะนะ กินข้ากินไปกินมากัดลิ้นตัวเองผิดศีลข้อไหนศีลข้อห้าไม่ระวังนะกัดลิ้นตัวเองก็ผิดศีล น, นะเห็นไหมเดินไปเดินมาเป็นเตเหัวไม่เท้าเป็นสะดุดหินเข้าเล็บเปิดนะฮะหัวไม่ตีนแตกผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้อห้าเห็นไหมเพราะประมาทเดินไปเดินมาไม่เห็นเอาหัวไปชนไม้หัวแตกผิดศีลข้อ 5. ห้า นอนกลาคืนนอนไปกิ้งไปกมาตกเตียงพิศินข้อ h, ห้อีกเพราะฉะนั้นนีกห้าข้อผูกมากเพราะฉะนั้นถือว่าสุราเมิรยะมัชปะปฏ์ประมาณทัศานานเป็นที่ตั้งของความประมาทนะประมาณทัานเป็นที่ตั้งของความประอันเป็นที่ตั้งของความประมาสิ่งเสพติดมื่นเมาทั้งหลายเป็นที่ตั้งของความประมาทดังนั้นความประมาทคือการขาดอะไรขาดสติสตเพราะฉะนั้นศิลข้อห้าคือการรักษาอะไร รักษาสติไม่ใช่รักษาสกหภาพนะรักษาสาติสัมัญญะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราจะต้องรักษาศีหข้อหอย่างเข้มข้นเลยรักษาสาติคือรักษาสาติไวแม้กระทั่งใจก็ไม่ให้ประมาทนั่นเห็นไหม ท, ทั้งจริงถ้ารักษาสีนครบั้อห้าข้อจริงเนี่ยเราก็สบายตั้งเยอะนะรักษาสติสามัญญาไม่ขาดจากกายแล้วก็ไม่ประมาทล้วก็ทําให้สบายศีหข้อหรักษาสติสัสสา ม, มาชัญญะบวกลงไปศีห์ข้อห ว่าไงวิกาละโภชนาเวรมามนีสิกขาประทางสมคนเราที่เจ็บไข้ได้ป่วย 80-90% เอร์ซนะมาจากอะไรมาจากอาหารใช่ไหมมาจากอาหารที่เราบริโภคแล้วไม่สะอาดบ้างอาหารเป็นพิษบางอาหารไม่ได้คุณภาพบ้างอาหารไม่ครบบางหรือ อาหารที่กินเกินมากเกินไปว่างอาหารที่สั่งสมสารพิษชนิดต่างๆมีกระตังเพราะฉะนั้นบอกว่าวิกาลโผลการกินสิ่งไหนที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดผิดปกติวิกาวิกาละคือหมายความไม่เป็นเวลาเวลาวิกาละนี่กินแบบอยากเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นนี่เขาเรียกวิกา เวลาวิการเพราะฉะนั้นวิการไม่ใช่หลังเที่ยงนะเวลาวิการไม่ใช่หลังเที่ยงเวลาวิการคือเวลาในที่อยากก็กินอยากก็กินนะ่ยอร่อยก็กินนี่เป็นวิการนะคือมันไม่เป็นเวลาเวลานะวิการแต่ว่าไม่ไม่เป็นเวลาเวลากินแบบวิกวิการนะดังนั้นเราจะกินแบบไหนที่มันไม่วิการก็แค่กินกินแบบปกติกินเป็นมือ้อเป็นวันเป็นเวลา ừ, เดี๋ยวนี้เราเข้าห้ามไปกับของกินเต็มเยอะแยะเลยใช่ไหม ของกินมีประเภทที่เรียกน้ําย่อยในประเภททีด่ดุดึงน้ําย่อยของเรานี่มากมายของกินเยอะแยะไปที่ไหนชนแต่อาหารชนแต่เครื่องหนึ่งเมือ ง, งไทยเรานะเพราะนั้นประเทศไทยของเราก็เลยเป็นเป็นอะไรฟู้ดแบงค์แหล่งอาหารของโลกไปที่ไหนก็ถ้าไปร้านอาหารไทยแล้วที่ไหนคนเขก็ชอบแม้แตใ่ในต่างประเทศเนะี่ยถ้าหากว่าตรงไหนมีร้านอาหารไทยคนชอบไปที่นั่นเพราะนั้นเจ้าของร้านอาหารไทยจริงๆไม่ใช่คนไทยนะ เป็ น, นเกาหลีญี่ปุ่นเป็นจีนคนเวียดนามเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแต่ที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยพราะเขาจ้างคุกคนไทยเท่านั้นเองเพราะคนไทยไม่มีปัญญาที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพราะอะไรเพราะคนไทยเราบางทีอะไรอ่ะมันสู้กฎหมายเขาไม่ได้เพราะกฎหมายของต่างประเทศนี่เขาแรงเพราะฉะนั้นพวกคนที่เขาฉลาดอย่างพวกเวียดนามพวก เกาหลีพวกนี้เขามักจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยเพราะเขาเก่งกฎหมายต้องต่อสู้กฎหมายเพราะพวกนี้เขาไม่กลัวอเมริกาแต่คนไทยกลัวอเมริกาแต่ว่าคนไทยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยก็เยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีแขกมีจีนมีเกาหลีญี่ปุ่นเมาไปร้านอาหารไทยเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาหารมากก็ทําให้มีพิษมากสุขภาพคนไทยก็เลยแย่เพราะกินเยอะกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บนน้ําถึงบนอากาศกินได้หมดคนไทยนะเพราะนั้นมันก็เลย ทำอาหารได้ทุกอย่างเอามาไปอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยแม้แต่ไอผักบุ้งในหนองนี่เขายังไม่กล้ากินเลยนะขาไม่รู้จะกินคนไทยไปที่ไหนสอนเขากินหมดนะอย่างตวันออกกลางเามื่อก่อนไม่แล้วเอาฆ่าแค่ฆ่าแกะนี่เครื่องในเขายกทิ้งหมดใช่ไหมแต่เมื่อคนไทยไปอยู่แล้วพากฏว่าเป็นอาหารอย่างดีของไทยแต่เดี๋ยวนี้คนไทยไปอกกล้วกินตามคนไทยหมดเลยนะเครื่องในสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าอะไรก็ตามที่แปลงเป็นอาหารได้คนไทยกินได้หมดเพราะฉะนั้นสุขภาพคนไทยเัาแย่ในเรื่องการกิน กินแบบมีวิด้วยการดังนั้นการรักษาสินข้ อ, ขอคือการรักษาสุขภาพเพราะนั้นจะรักษาสุขภาพให้รักษาในเรื่องระวังเรื่องการยูการกินและสุขภาพจะดีนะระวังเลือกเรียกว่าอาหารปลอดสารพิษนะข้อขอาวหกนาแล้วข้อเจว่าไงนะนัจะคีนัจะคีตะวาธิตาวิสูกัดทัศนาดูให้ดีนะ นัดจากีตะวาทิตะวิสูตะทัศนาห้าอย่างนั้นนะสีลข้อเจเนี่ ย, เยาเวจะฟ้อนลำขับร้องประคมดนตรีอ่าดูการละเล่นอ่าดูการละเล่นอันเป็นข้าสิกต่อจิตใจเพราะนั้นการข้อเจกับข้อแเอามารวมกันข้อแปดว่าไงนะมาลาใช่ไหมมาลานี่แปลว่าอะไร ดอกไม้มาลาคันทะของหอมวิเลปณะสิ่งรูปไรมาลาคันทะวิเลปณะทารณะสิ่งทรงสิ่งประดับมันดานะสิ่งตกแต่งวิภูสัตเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องหง่งวิภูสนัตฐานานะทั้งห้าหกอย่างเนี่ยมาลาคันทะวิเลปณะทารณะมรนดานะวิภูสนัตฐานานะหกอย่าง รวมกันทั้งข้อเจ็กับข้อแปดรวมกันเป็นสิบออย่างเว้นจากฟอ้อนรำขับร้องประพมดนตรีอันเป็นค่าศิกษาอุศน์แล้วเว้นจากการประดับตกแต่งด้วยเครื่องกินเครื่องหอมและเครื่องผ้าทาในต่างๆดังนั้นศีลข้อเจดนั้นเมื่อคนไหนไปฟอ้อนราขับร้องครมดประดับตกแต่งแล้วอารมณ์เป็นยังไงปกติไหมอารมณ์สงบไหม ไม่สงบอารมณ์ก็ฟุ้งซ่านอารมณ์ุงซ่านหุ่นวายเพราะฉะนั้นการรักษาศิ่งข้อเจ็ดข้อ8รวมกันเรียกว่ารักษาอะไรรักษาอารมณ์ <c oughs> รักษาอารมณ์ให้ปกติแต่เมื่อใดเราพราะเราขับร้องประคองติดอารมณ์เราจะเป็นยังไงสนุกสนานเพลิดเพลินหลงลืมใช่ไหมสนุกสนานแล้วก็ทําให้เพลิดเพลินอารมณ์ก็เจิดกระเจิง อารมณ์จะเสียหายคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เพลิดเพลินในสิ่งนี้นะมุกมุ่นในเรื่องของฟ้อนรำขับร้องประกอบดนสนุกสนานมีเยอะแยะในเครื่องเสียงจากคอมพิวเตอร์จาก m p ็จากโทรทัศน์จากการขับร้องจากคาราโอเกะจาก Walkman จากอะไรต่างๆนะ CD, VCD ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งข้อ 7, 8ข้อรวมกันทั้งหมดเลยออกมาให้เท็กท่านนั้นเลยใช่ เสียงดังยุ่มดุดดมตลอดทั้งวันทั้งคืนมีทั้งเสียงภายนอกภายในก็ทําให้อารมณ์กระเจิดกระเจิงดังนั้นศีลข้อเข้อ8นั้นเป็นการรักษาอารมณ์สิข้อ7นะข้อเจข้อ8เขารวมกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันทําให้เพลิดเพลินทำให้สนุกสนานทําให้เหลงละลงทําให้กระเจิดกระเจิงศี่ข้อเข้อ8ปเนี่ยสี่ข้อเข้อแปดกัเป็นข้อเจ็ข้อ8อุจจารยนะมหาสยนนาเวรามนีอุจจารยนะมหาเสียมห้าม นอนตื่นสาย อ, อันนี้ก็ห้านอนตื่นสายพิสิณขอ้ขอแปดคือนั่งนอนบนที่นอนสูงแล้วนี่เท่นี้ถ้านอ น, นอนในที่นอนสบายเนี่ยมัเป็นยังไงมันตื่นยากใช่ไหมไม่อยากตื่นใช่ไหมถ้านอนแข็งๆเนี่ยนี้เป็นยงไงพอพี่แกก็ตื่นแล้วนะ แต่ถ้านอนแช่ในที่นิ่มๆไปเราไม่อยากตื่นนอนก็นุ่มลืมไปเลยก็นอนตื่นสายนะเพราะฉะนั้นเรามาไปเห็นบ้านเวลาไปพักบ้านโยมอะไรเนี่ยเขาทําที่นอนหูหนาเป็นเป็นศอกเป็นคืบเลยนะามาต้องลากอันนั้นออกนอนกับพื้นนะที่ไปจัดพิธีตามที่รีสอร์ทที่เขามีที่นอนตามใหญ่ๆหนาๆาเนี่ยพักกันนอนไม่ได้พักต้องพลิกขึ้นพิงกําแพงแล้วก็ อนอนกับพื้นนะอันนี้ก็เรียกว่าป้องกั น, มนไม่ต้อไม่ผิดศีลข้อแปเพราะฉะนั้นศีลข้อแปดนี้รักษาไม่ให้เรานอนไปไงไม่ให้นอนตื่นสายไม่ให้นอนยาวไม่ให้นอนจนลืมนะถ้ า, าเรานอนตื่นสายนี่ก็ทําให้เราเสียการเสียงานเสียสุขภาพได้ทําให้เราเป็นคนอ่อนแอนอนมากเกินไปเพราะฉะนั้นเป็นนักปฏิบัติก็กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเราปฏิบัติมาก ในยบายของเรากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากรักษาศี่สข้อดังนั้นสรุปอีกทีศี่ข้อ8ข้อที่1รักษาชีวิ ต, วตข้อที่2รักษาทรัพย์ ส, ส, สินส่วนตัวและส่วนรวมข้อที่3รักษาสิทธิและหน้าที่เป็นของรับของหลวงข้อที่4รักษาสัจจคข้อที่5รักษา สติสมัมปชัญญะข้อที่หรักษาสุขภาพข้อที่เจรักษาความจริงเท่ากับว่าข้อที่6รักษาสุขภาพกายข้อที่ข้อที่หกักษาสุขภาพกายข้อที่เจรักษาสุขภาพจิตนะรักษาสุขภาพจิตข้อที่8รักษาอะไรรักษาไม่ให้นอนมากไม่ให้ ไม่ให้ติดในเรื่องการนอนถ้านอนมากๆทําให้เป็นคนขี้เกียจทําให้เป็นคนอ่อนแอทําให้เป็นคนไม่มีพลังถ้านอนมากๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราด้วยถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเพราะฉะนั้นศีลจึงแปลว่าหินกําแพงหินนั่นเองใครมีศีลก็มีกําแพงหินอยู่ใกล้ตัวคนนั้นจะปลอดภยัยไร้กังวลแล้วก็เรียกว่าเป็นคนมีความเกษมและความปลอดภยัย เพราะนั้นท่านจึงสือว่าสีละสุขติญจันติสีเลนะปูคะสัมปทาสีเลนะนี่พู้ติงยันติต่สมาสีลังวิโสทายสีเลนะสุขติญจันติคนไหนรักษาศีลคนนั้นจะมีความสุขเป็นที่ไปของชีวิตสุขติญจันติสีเลนะปูคะสัมปทาคนไหนรักษาศีลคนนั้นก็จะเป็นคนมีผัคฆ่ารำรวยไม่ยากจนเลยนะ สีเลนะนิพุติงยันติคนไหนรักษาศีลคนนั้นก็จะไปถึงนิพพานได้ง่ายมีความสุขมีความอ่าไม่อยากจะพูดคานี้เลยน ะ, ะนิพุติแปลว่าอะไราาไปว่าได้เสร็จเลย <laughs> นิพุติแปลว่าเย็นคุณสมบัติอันสุดท้ายของหินได้แก่เยือกเย็นนะเยือกเย็น อุาทบทวนอีกทีคุณสมบัติของหินหนึ่งหนักแน่นสองเข้มแข็งสามไม่หวั่นไหวสี่ประสานสมร ค, คีข้อห้าเยือกเย็ น, นยเห็นหสี่ห้าข้อใครรักษาสินกีร้อกีีพันข้อก็ตามถ้าขาดคุณสมบัติห้าประการ น, นั้นสินจะไม่ครบ แต่ใครรักษาศีนี่ก็ตามถ้ามีขินสุบัติคุณสุบัตห้าประการนี้แล้วไม่ครบก็ถือว่าครบเพราะมันมีคุณสุบัติอยู่ตรงนี้ทีนี้ต่อไปอะไรคือหัวใจของศีลเวลาเรารักษาศีลเนี่ยมศีลมันเยอะให้รักษาที่หัวใจหัวใจของศีนคืออะไรอืมหัวใจของศีนได้แก่อะไรอืมตรงนี้สําคัญนะเอาแต่หัวใจมันฮิลิโอตปัต ใครมีอายชั่วกลัวบาปคนนั้นถือว่ามีหัวใจของศีลแล้วคือไม่กล้าทําชั่วและกลัวบาปอันไหนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ทําอันไหนที่จะเป็นบาปไม่ทำนะถือว่าคนนั้นได้รักษาศีลแล้วหัวใจมันและที่ยอดของหัวใจมกุฎวันอิธีได้แก่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองมีศีลแล้ว ดังนั้นในศีลแปข้อนี้ขอให้ไปทบทวนให้ดีการรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินรักษาสิทธิหน้าที่รักษาสัจญาลักษาสติสมัมปชัญญรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพจิตแล ะ, ะรักษาความขยันเอาไว้ไม่เกียดคานนอนนั่นทํำไมเกลียดคานใช่ไหมเพราะฉะนั้นรักษาความขยันเอาไว้ขอ้อแปต้องขยันเอาไว้ถ้าผิศสินข้อ8ก็เป็นคนขี้เกียจถ้าคนขี้เกียจถือว่าผิศสินข้อไหน อสินข้อแฝงคนไหนอารมเสีย บ, ยบย่อยๆพิศินข้อไหนอพิศินข้อเจ็ดนะคนไหนเผลอ บ, บ่อยๆพิศินข้อไหนพิสินข้อหอ้าคนไหนไม่ตั้งใจทําอะไรเนะี่ยเป็นคนทําอะไรเราแหละเหลยวไหลพิสินข้อไหนข้อสี่อืมคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองไม่ไม่ค่อยให้เกียรติใครไม่ค่อยเกรงใจใครพิศินข้อไหน ข้อสามนะคนไหนที่ละเมิดทรัพย์สินของตัวเองขโมยทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นโดยจงใจหรือเจตนากระทำผิดสิ่ข้อ2นะเพราะนั้นทั้งศี่ทั้ง8ข้อนี้เป็นสายทางที่เราจะนําไปปฏิบัติทั้งหมดนั้นหัวใจของศี น, นั้นอยู่ที่สติคือมีความสํารวมน้ำวัดระวังแล้วเราจเจริญสติถือว่าเป็นการรักษาสีไม่ได้ทั้งหมด นั้นเองในช่วงอยูที่อยู่ที่นี่เรามารักษาศีลด้วยการเจริญสติทําทำไมที่ว่าเจริญคือทำให้มากๆทำความรู้สึกตัวให้มากดังนั้นการเจริญสติสัญญาธรรมยอย่างไรนะหายคนเคยทํามาแล้วแล้วเราก็เจริญความไม่ประมาทอ่าวตอนนี้เราจะเจริญสาธิตการเจริญสติร่วมกันอีกทีอ้าตัดโดน ต, ต, ตนั่งขัดสมาธ